พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้พบเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งพบเป็นอย่างไรความดับแห่งพบเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งพบเป็นอย่างไรพบสามเหล่านี้คือหนึ่งกามาพบพบที่เป็นกามาวจรสองรูปพบพบที่เป็นรูปาวจร สอรูปภพภพที่เป็นอรูปาวจรเพราะอุปทานเกิดเหตุเกิดแห่งภพจึงมีเพราะอุปทานดับความดับแห่งภพจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดภพเหตุเกิดแห่งภพความดับแห่งภพ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งพบอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงละถึงเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้ เรื่องอุปาทานภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าละถึงจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานและข้อปฏิบัติใหถึงความดับแห่งอุปาทาน เมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้อุปาทานเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรความดับแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปท า, านเป็นอย่างไรอุปทานสี่ประการนี้คือหนึ่ง กามุปาทานความยึดมั่นในกาลสทิฏฐปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิสศีละปตุปาทานความยึดมั่นในศีลและวัด 4. อัตวาธุปาทานความยึดมั่นในวาฏว่ามีอัตตาเพราะตัณหาเกิดเหตุเกิดแห่งอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาดับความดับแห่งอุปาทานจึงมีอริยมัติมีองค์แดได้แก่ 1>, 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคะนุสัยโดยประการทั้งปวงละถึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้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 พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตทธรรมนี้ตัณหาเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งตัณหาเป็นอย่างไรความดับแห่งตัณหาเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาเป็นอย่างไรตัณหาหกประการ น, นี้คือหนึ่งรูปปัตนหาความทยานอยากในรูป สสัทธตันหาความทะยานอยากในเสียง 3. คันทั ต, ตันหาความทะยานอยากในกลิ่น 4. ร่รสตันหาความทะยานอยากในรส 5. โพธพะตันหาความทะยานอยากในโพภธภะ 6. ธรมมตัญหาความทะยานอยากในธรรมารมเพราะเวทนาเกิดเหตุเกิดแห่งตันหาจึงมีเพราะเวทนาดับความดับแห่งตันหาจึงมี อริยมรรคมีองค์8ดเด็แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาส ม, มาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตันหาเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดตันหาเหตุเกิดแห่งตันหาความดับแห่งตันหาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตันหาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัสโดยประการทั้งปวงละถึง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 พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้เวทนาเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติใหถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเวทนาหกประการนี้คือหนึ่งจากขุสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา 2. โซตสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู 3. คานะสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจเพราะสัมผัสเกิดเหตุเกิดแห่งเวทนาจึงมีเพราะผัสษะเกิดเหตุเกิดแห่งเวทนาจึงมีเพราะผัรษะดับความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมรรคมีองค์แดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึงแสัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงละถึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้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 พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธำรนรนี้ผัสสะเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งผัสสะเป็นอย่างไรความดับแห่งผัสสะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเป็นอย่างไรผัสสะหกประการ น, นี้คือหนึ่งจขุสัมผัสสัมผัสทางตาสองโสตสัมผัสสัมผัสทางหู สาคานสัมผัสสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสัมผัสทางใจเพราะอายตนะหเกิดเหตุเกิดแห่งปัสสะจึงมีเพราะอายตนะหดับความดับแห่งปัสสะจึงมีอริยมรรคมีองค์8ปดเด็แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ ละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งผัสสะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงละถึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมสายอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตยธรรมนี้เรื่องอายตนะภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาสิทธิของท่านพระสารีบุตรว่า ดีจริงขอรับแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าละถึงจะพึงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอายตนะหประการเหตุเกิดแห่งอายตนะ6ประการความดับแห่งอายตนะหประการและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะหกเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อายตนะหประการเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งอายตนะหประการเป็นอย่างไรความดับแห่งอายตนะหประการเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะหกประการเป็นอย่างไรอายตนะหประการนี้คือหนึ่งจะควายตนะ อายตนะคือตา 2. องโสตายตนะอายตนะคือหู 3. ามคานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ีชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นห้ากายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจเพราะนามรูปเกิดเหตุเกิดแห่งอายตนะหกประการจึงมีเพราะนามรูปดับ ความดับแห่งอายตนะหประการจึงมีอริยมรรคมีองค์8ปดเดกแก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะ6ประการเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอายตนะหประการเหตุเกิดแห่งอายตนะหประการความดับแห่งอายตนะหประการ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 แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวโกโชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้นามรูปเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งนามรูปเป็นอย่างไรความดับแห่งนามรูปเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเป็นอย่างไรเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิกานี้เรียกว่านาม มหาภูตรูปสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปยีสนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังกล่าวนี้เรียกว่านามรูปเพราะวิญญาณเกิดเหตุเกิดแห่งนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณดับความดับแห่งนามรูปจึงมีอาริยามักมีองค์8ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง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 มีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เรื่องวิญญาณภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิต ข, ของท่านพระสารีบุตรว่าดีจริงขอรับ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 มาสู่พระสัทธรรมนี้วิญญาณเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรวิญญาณหกประการนี้คือ 1. จักขวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตะวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 3. าคานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก สชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. ้ากายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มนโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเพราะสังขารเกิดเหตุเกิดแห่งวิญญาณจึงมีเพราะสังขารดับความดับแห่งวิญญาณจึงมีอริยามักมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิ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 สังขารเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างไรความดับแห่งสังขารเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเป็นอย่างไรสังขาร3มประการนี้คือ 1. กายสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกาย 2. วจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจา 3. จิตตสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจเพราะอวิชชาเกิดเหตุเกิดแห่งสังขารจึงมี เพราะอาวิชชาดับความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดเดกแย่หนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาส ม, มาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้น ท่านละราคานุสัยโดยประการทั้งปวงละถึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอรียาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมเมื่อสู่พระสัตธรรมนี้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 แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสนแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อวิชชาเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งอวิชชาเป็นอย่างไรความดับแห่งอวิชชาเป็นอย่างไ ร, มไมรงงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชาเป็นอย่างไรความไม่รู้ในทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับแห่งทุกและข้อปฏิบัติใหถึงความดับแห่งทุก นี้เรียกว่าอาวิชชาเพราะอาสวะเกิดเหตุเกิดแห่งอวิชชาจึงมีเพราะอาสวะดับความดับแห่งอวิชชาจึงมีอริยมรรคมีองค์8ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชาเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชา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 เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะและข้อปฏิบัติใหถึงความดับแห่งอาสวะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อาสวะเป็นอย่างไรเหตุเกิดแห่งอาสวะเป็นอย่างไร ความดับแห่งอาสวะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเป็นอย่างไรอาสวะสามประการนี้คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพส 3. อวิชชาอาสวะอาสวะคืออวิชชาเพราะอวิชชาเกิดเหตุเกิดแห่งอาสวะจึงมีเพราะอวิชชาดับความดับแห่งอาสวะจึงมี อริยมรรคมีองค์8ดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสสัมมากัมมันตะหสัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะเจสัมมาสติ8สัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะ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 มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตว์ธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรได้กลาา่าวาสิทิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลสัมมาทิฏฐิสูตรที่9จบ ผูมีอายุทั้งหลายใน6บทที่กล่าวว่าเป็นอย่างไรคือทุกข์ชราและมรณะอุปาทานอายตนะหกนามรูปวิญญาณในสี่บทที่กล่าวว่าเป็นอย่างไรคือชาติตันหาเวทนาอวิชชาเป็นที่สในหบทที่กล่าวว่าเป็นอย่างไรคืออาหารภพผัสสะสังขารอาสวะเป็นที่ห้า 6. ประการเป็นอย่างไรเข้าพระเจ้ากล่าวแล้ว 4. ประการเป็นอย่างไรเข้าพระเจ้าก็กล่าวแล้ว 5. ประการเป็นอย่างไรเข้าพระเจ้าก็กล่าวแล้วและบทแห่งสังขารทั้งปวงมี15บทดังกล่าวมานี้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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอุเทศภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโศกะและบริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัส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 กายานุปั ส, สนาสติปทานกายานุปั ส, สนาการพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ที่โคนไม้หรือที่เรือนว่างนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้า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 สำเนียวกว่าเรากาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียวกว่าเราระงับกายะสังขา ร, รหายใจเข้าสำเนียวกว่าเราระงับกายะสังขา ร, ร 19, หายใจออกด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดลมหายใจเข้าออกจบกายานุปัสนาหมวดอิรียบท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 พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่และถึงภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดอิริยาบถจบกายานุปัสสนา